เลานิทาฟังดีกว่าบรรยากาศสบายๆเล่าเรื่องเซนให้ฟังที่ประเทศญี่ปุ่นมีพระอาจารย์กับลูกศิษย์เดินทางไปทําธุระที่วัดอื่นขณะที่เดินทางมาก็เจอยิงสาวุคคนหนึ่งเธอนุ่งกิมโนโลแล้วจะข้ามแอ่งน้ำฝนตกแล้วน้ำขังประมาณเข่าเลยเธอก็ไม่กล้าข้ามกลัวชุดสกปรกลังเลอยู่งั้นอาจารย์เซน เห็นดังนั้นก็อุ้มเธอข้ามไปฟางลุ้นเฉยเลยข้าแบ่งน้ําแล้วก็วางไว้แล้วก็เดินต่อไปลูกศิษย์ตกใจนึกไม่ถึงว่าอาจารย์จะกล้าทําแบบนี้รู้สึกไม่พอใจอาจารย์มากเลยว่าอาจารย์เนี่ยอุ้มผู้หญิงซึ่งผิดวินัยพระพระแม่ให้ถูกต้องตัวผู้หญิงจึงเก็บมาคิดตลอดว่าจะไปถามอาจารย์ให้รู้เรื่องไปถึงวัดอาจารย์ก็นอนพัก ถึงไม่มีโอกาสได้ถามลูกศิษย์ที้นอนนอนไม่หลับทั้งคืนแล้วคิดแต่เรื่องอาจารย์ทำไม่ถูกรุ่งขึ้นวันใหม่ลูกศิษย์มีโอกาสจึงเอ่ยถามอาจารย์อาจารย์ทำไมถึงทำแบบนี้วินัยพระไม่ให้จับตัวผู้หญิงอาจารย์ทำแบบนี้ได้ยังไงอาจารย์ก็มองหน้าลูกศิษย์แล้วเอ่ยขึ้นว่าอ้าวข้าวางผู้หญิงตั้งแต่เมื่อวานแล้วเจ้านี่ยังไม่ยอมวางอีกหรือและนี่ก็จบ เรื่องต่อมาที่ประเทศจีนวัดเสด็จแห่งหนึ่งเช้าก็จะมีการทำวัดส่วนมนเหมือนวัดเรานี่แหละเป็นวัดใหญ่ก็จะมีหลวงตา ย, ยู่ท่านหนึง่งจะตื่นก่อนเวลาแล้วก็มาคอยเก็บหอยทากไปปล่อยคือแกโกหอยทากเนี่ยโดนคนมาปฏิบัติธรรมเหยียบตายทำอยู่อย่างนี้วันแล้ววันเล่าจมไปที่สังเกตของผู้าในวัดพระสองท่าน ถึงเข้ามาถามทําไปทําไมแกก็ตอบถ้าอีกรูปหนึ่งก็เห็นด้วยอีกรูปหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยตกลงกันไม่ได้จึงไปถามเจ้าวาดเดินทางไปถามเจ้าวาดด้วยกันเจ้าวาดก็นั่งฟังด้วยความใส่ใจให้พระสามรูปเนี่ยอธิบายหลวงตาที่จับขอยไ้ปล่อยเกิดขึ้นว่าผมเนี่ยมาบวชตอนแก่ ก็อยากสร้างบุญสร้างกุศ ล, ลทำความดีการทำความดีเนี่ยก็เหมือนเอาน้ำใส่ตุ่มทีละหยดถึงแม้จะเล็กน้อยสักวันก็เต็มตุ่มได้จะว่าผมเนี่ยเป็นบาปเป็นกรรมได้ไงครับหลวงพ่อหลวงพ่อจเจ้าว่าก็มองหน้าตาแล้วหัวเราชอบใจแล้วเอ่ยขึ้นว่าถูกถูกของเธอพารูปพี่สองเอ่ยขึ้นว่า หอยทากเนี่ยทางการรณรงค์นะให้กําจัดเพราะเป็นพาหะของโรคแล้วก็เป็นสัตว์ที่ทําลายพืชผลทางเกษตรไร่นาสวนต่างๆเนี่ยถ่ายท่านี่ตัวละไวร้ายเลยแล้วก็มีเชื้อโรคอยู่การที่เอาหอยทากไปปล่อยเนี่ยเท่ากับเป็นการส่งเสริมแพร่พันธุ์เพรหอยทากเนี่ยขยายพันธุ์เร็วมากตัวหนึ่งสามารถออกลวกหลายพปนพันธุ์ตัวได้เป็นบาปเป็นกรรมได้ เป็นบาปเป็นกรรมแก่คนทั่วไปหลวงพ่อว่าตกผูกไหมครับหลวงพ่อมองหน้าพระรูปนี้หัวเราชอบใจเอ่ยขึ้นว่าถูกถูกของเธอพระอีกรูปหนึ่งเอ่ยขึ้นว่าหลวงพ่อการที่คนใดคนหนึ่งเนี่ยสีรละช่วยคนอื่นเนี่ยไม่ให้จิตเศร้าหมองถ้าเกิดคนคนมาสวดมนต์หรือมาภาวนาเนยอย่าหอยทาตายเนี่ยอาให้จิตเศร้าหมองได้ทาให ภาวนาแบบมีความสุขและเป็นการช่วยสรรัตว์ด้วยหลวงพ่อว่าถูกไหมครับหลวงพ่อก็มองหน้าพาลุบนี้แล้วก็เคิดว่าถูกถูกของเธอเนรนั่งอยู่ข้างหลังหลวงพ่อชักรู้สึกว่าเอ่มยังไงกันแน่ขอแทร์ความเห็นบ้างหลวงพ่อได้แต่เอ่ยว่าคนนู้นก็ถูกถูกหมดก็มีฝ่ายผิดมีถูกก็ต้องมีผิดใช่ไหมครับหลวงพ่อ หลวงพ่อก็หัวเราะชอบใจหันมาตอบเนรว่าทูกถูกของเธอเรื่องนี้ ก, จก็จบเรื่องต่อมาที่ประเทศจีนแม่ทัพคนหนึ่งแม่ทัพคนนี้เล่นมารุกเก่งมากเป็ดเซียน ม, มารุกขณะที่ยกทัพจะไปทำสงครามผ่านมาเห็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะมีบ้านหลังหนึ่งเนี่ยป้ายไว้ที่หน้าบ้านแผ่นมาเลอร์เลย เขียนว่าหมักลุกที่หนึ่งแห่งแผ่นดินแม่ทัพนี่แกคล่องใจมากเพราะว่าแกเล่นหมากรุกไม่ค่อยแพ้ใคร ง, ง่ายๆแล้วก็ไม่ค่อยนับถือใครเพราะทอลองฝีมือขอตัวเองเล่นหมากรุกเก่งจึงพักแล้วเข้าไปในบ้านเนี่ยขอประลองฝีมือหมากลุกกับเจ้าของบ้านท่าหน่อยเจ้าของบ้านก็รักคาท้าแล้วเล่นหมากรุกกันสามกระดานผลปรากฏว่าแม่ทัพชนะสามสามแผ่นรวดเลยแม่ทัพก็เอย่ยคิดว่าแกหละบปิดป้ายลงได้แล้ว อย่าเทะนงในฝนมือให้มากนักแล้วแม่ทัพก็ปวเราอชอบใจแล้วก็เคลื่อนทัพไปลบหลังจากลบชนะผ่านกลับมาทางเดิมอะ่ะก็เจอเจอป้ายเนี่ยไอ้เจ้าของบ้านมาติดอีกแล้วหมาลูกที่หนึ่งแห่งแผ่นดินเหมือนเดิมไม่ได้ปลดป้ายลงเลยอย่างใดแม่ทัพเดินเข้าไปในบ้านแล้วเราท้าเจ้าของบ้านว่าเอางนี้ก็แล้วกันถ้าเจ้าเนี่ยเล่นเป็นลูกแพ้ข้าเนี่ยจะเราปลดป้ายอย่างถาวรนอะห้ามแฝนอีกแต่ถ้า แต่ถ้าเกิดชนะค่าได้เนี่ยค่าจะให้รางวัลอย่างงามเลยเจ้าของบ้านก็รักคำท้าแล้วก็เล่นโมลูกกันแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งนั้นผลปรากฏว่าแม่ทัพเนี่ยแพ้สามกระดานรวดเลยแพ้แบบสู้ไม่ได้แม่ทัพก็ยังค้่องใจนะว่าเอตัวเองทบสงครามเหนื่อยมาอาจจะล้าจะเพียจึงขอไปพักก่อนแล้วก็มาเล่นอีกสามวันวลาสามกระดานผลปรากฏว่าแพ้สามแผ่นรวดทุกวัน ตอนนี้แม่ทัพก็ยอมรับฝีมือของเซียนบางลุกท่านนี้ล้วจึงเอ่ยเคยถามว่าทําไมถึงถึงแพ้ข้าเจอครั้งแรกขอใตอบอาตาฟคามจริงข้าจะไม่ลงโทษเซียนบางลุกก็ตอบว่าท่านเนี่ยจะไปทําศึกสงครามผลการแพ้ชนะเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจมากเลยถ้าเกิดท่านเล่นแพ้เนี่ยก็จะมีผลต่อจิตใจทําให้ท่านขาดความมั่นใจทําสงครามจะแพ้ได้ และตัวท่านเป็นคนที่ทอนลงไปฝีมือไม่เห็นใคาอยู่ในสายตาเวลาเดินบางลูกเนี่ยจะบุกแบบรุนแรงก้าวล้าวไม่กลั ว, ไ ม, ลวไม่กลัวคู่ต่อสู้ข้าเห็นว่าสมควรอ่อนข้อยท่านเพื่อท่านมีความสุขสบายใจแตตอนหลังเนี่ยท่านมาท้าข้าใหม่แถมบังคับข้าว่าจะปลดป้ายที่บ้านอีก ข้าก็เลยไม่ออกมือให้เล่นเต็มที่ตอบเสร็จแม่ทัพก็ให้รางวัลเรื่องนี้ก็จบเรื่องต่อมาเป็นเรื่องบางรูปเหมือนกันชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งเป็นลูกคนรวยเป็นคนเสเพเจา้าสาราญวันวันหนึน่งก็ใช้ชีวิตแบบไร้ค่าจนเบื่อทางโลกเสพสุขจนเบื่อว่างั้นเถอะคิดหาทางพ้นทุกข์จึงเดินทางไปหาอาจารย์เซน วันนี้ก็อยู่ตามป่าําเขาอ่ะขันไปถึงก็มาขอให้อาจารย์เซนเนี่ยชี้แนะการบรรลุธรรมให้เร็วที่สุดเพราะตัวเองเนี่ยจะไม่มีความอดทนต่อการนั่งสมาธิไม่มีการอดทนต่อการเรียนปริยัตได้แรงสิ้นขอให้เร็วที่สุดอาจารย์จะช่วยได้ไหมอาจารย์เซนก็เอ่ยคิดว่าแล้วเจ้ามีความสามารถด้านไหนสี่เจ้าชอบที่สุดสิ่งที่เจ้าชอบใช้หนุ่มเอ่ยึ้นว่าสิ่งที่ชอบแหะคือการเล่นมังลุกค้าเล่นมังลุกเก่ง อ, อย่างนั้นก็ดีแล้วอาจารย์ก็ให้ไปตามพระอีกท่านหนึ่งมาแล้วให้อกดาลมาลุกมาด้วยแล้วให้เนเนเนี่ยน้ำดาบมาด้วยดาบดิคมกลิบเลยดาบยาวแล้วอาจารย์ก็ถือดาบไปถือดาบมาแล้วเอ่ยกับพระที่เป็นลูกศิษย์ว่าเจ้าเดิมสัญญากับข้าวไว้ไว่าจะทำตามอาจารย์ทุกอย่าง วันนี้ข้าจะเคาะทวงสัญญากับเจ้าแล้วถ้าเจ้าเล่นบักลุกแพ้ข้าจะตัดหัวเจ้าแต่ข้ารับรองว่าเจ้าจะไปสวรรค์แน่นอนส่วนชายผู้นี้ตลอดชีวิตเล่นบักลุกและชอบบลูไปชี้วิจัยถ้าเล่นแพ้ข้าก็จตัดหัวเหมือนกันเอ้าเริ่มได้ชายหนุ่มรู้สึกตกตะลึงนะกับความจริงจังของอาจารย์เพราะจางยถือดาบแล้วท่าทางไม่ล้อเล่นนะ ไข้แพดเราตัดหัวจริงๆบากลูกกระดานนี้่เหมือนเหมือนโลกทั้งโล ก, กอยู่ในกระดานบักลูกอะ่ะเดินไปเดินไปเนี่ยชายหนุ่มก็ทําท่าชนะพระลูบนั้นละเพราะว่าพระลูบนั้นฝีมือเป็นรองแต่แล้วแกเห็นไวเบลตาของพระลูบเนี่ะเป็นแวลตาที่ฉลาดแล้วก็ซื่อสัตย์มีคุณธรรมเห็นแล้วสงสารส่วนตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไร้สาระใช้ชีวิตแบบเจา้าสาราญ ที่จริงดูตันหัวก็ไม่เป็นไรนะพอเห็นพระใกล้เฮียมพามแกก็เลยแกล้งเดินพาดบ้างจากที่เป็นต่อทําท่าชนะก็กลายมาเป็นรองเป็นรองเรื่อยๆจนทําท่าจะแพ้และอาจารย์เห็นดังนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เอามือล้มกระดาษเลยบอกบรรลุกระดานนี้ไม่มีการตัดสินเจ้าสอบผ่านอาจารย์ก็เลยคิดว่าเจ้าเนี่ยมีคุณธรรมมีเมตตา เพราะว่าสี่ค้าร้องการเนี่ยคือมีการมีสมาธิที่มุ่งมั่นแล้วก็มีจิตที่เมตตาถ้าเจ้ามีสองสิ่งเนี้ยจะสามารถบรรลุธรรมได้เร็วแล้วชายหนุ่มคนนี้ก็สมหวังตอนหลังก็ได้เห็นธรรมตามที่ตัวเองปรารถนาเรื่องต่อมาเรื่องนี้เกิดที่ไระใทศจีนเหมือนกันมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอแต่งงาน ไปอยู่บ้านสามีแต่เธอก็มีปัญหานะเพราะว่าแม่สามีเนี่ยเป็นคนที่เจ้าระเบียบจุกจิกจู้จี้ที่บนแล้วก็ทาดไปตรงกันกับเธอทําให้มีปากมีเสียงกันเป็นประจำบางทีแม่สามีก็ด่าว่าเธอบ่อยๆวันแล้ววันเล่าจนผ่านไปประมาณหลายเดือนเนี่ยเธอก็เริ่มชากบดฟ้าบดทนบางคเถียงแม่สามีบ้าง แสดงอารมณ์ไม่พอใจบ้างแม่สามีสั่งให้ทำอะไรก็ไม่ยอมทำบ้างคือดื้อรั้นขัดใจครอบครัวนี้เลยมีความสุขเลยฝ่ายฝ่ายสามีก็ไม่รู้จะทำไงอันนั่นก็แม่นี่ก็เมียเครียดเลยตอนนี้ทางบ้านเครียดหมดผู้หญิงคนนี้บทฝาบททนจึงเดินทางไปที่บ้านลุงที่ขายยาสมุนไพรแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ลุงฟังแล้วก็ ขอให้ลุงเนี่ยช่วยหายาให้หน่อยคืออยากได้ยาพิษเพื่อจะไปวางยาแม่สามีเพราะอนีเกียดแม่สามีมากใหญ่แม่สามีตายไง่ลุงก็ยินดีที่จะช่วยนะแต่มีเงื่อนไขบอกว่าถ้าเธอได้ยาไปแล้วเนี่ยจะไปใส่ให้แม่สามีหมดไม่ได้นะจะต้องค่อยใส่วันนิดวันหน่อยวันเว้นวนันแล้วก็ต้อง ทําอาหารอร่อยๆอให้แม่สามีทานแล้วต่อไปนี้ก็ต้องดีกับเธอนะเวลาพูดอะไรก็ห้ามเถียงเอาใ จ, า ใ, จใสใ่เธอมากกว่าเดิมด้วยความที่อยากให้แม่สามีตายเธอก็รับปากลุงลน่นแหละว่าจะทำตามพี่ลุงบอกถ้าแม่ผัวตายเธอจะได้ไม่เป็นผู้ต้องสงสยัยไงยาพิษมันเขาใหออกฤทธิ์นานๆ น, น, นานถึงออกฤทธิ์ไงว า, วานิ์วานลอยสะสมพิดมากๆแล้วให้ออกฤทธิ์เธอก็ดีใจแล้วเต็มใจทํา เธอก็ปรับปรุงตัวใหม่นะโดยทำอาหารอร่อยอ่อยให้แม่สามีแล้วก็ใส่ยาพิษที่ลูงให้อแหละเวลาแม่สามีว่าเธอก็ไม่เถียงนะสั่งให้ทำอะไรเธอก็ทำตามวันแล้ววันเล่าการเวลาผ่านไปหลายเดือนบ้านนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงพ่แม่สามีเนี่ยจากที่เกลียดเป็นที่น่ารุา่งร้ยตอนนี้เริ่มรักแล้วใครมาบ้านก็ชมว่าเนี่ย โอ้ลูกสะพ้ายฉันดี่างเลยเป็นคนดีแล้วตอนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็มีความสุขนะไอความคิดที่ใหญยแม่ผัวตายก็หายไปแล้วเพราะว่าแม่ผัวรักเธอเหมือนลูกจริงๆไนงะสามีก็มีความสุขครอบครัวนี้ก็แฮปปี้เธอรีบเดินทางไปหาลุงอีกแล้วก็เล่าเรื่องให้ลุงฟังขอให้ลุงเนะี่ยเอายาถอนพิษมา พรตอนนี้เธอไม่อยากแม่หัวตายแล้วลุงยิ้มแล้วก็บอกว่าที่ลุงให้ไปเนี่ยมันไม่ใช่ยาพิษหรอกมันเป็นยาบำรุงกินแล้วทําให้สุขภาพดีขึ้นยาพิษแท้จริงเนี่ยก็คือจิตใจของเธอเองแหละที่เป็นยาพิษที่ร้ายแรงตอนนี้ได้รับการชําระแล้วจากความรักที่เธอมีต่อแม่แม่ผัวเรื่องนี้ก็จบวันนี้คล้ายวันเกิดของหลวงพ่อมเขียนหลวงพ่อเกิดวันที่สิบสองเมื่อก่อน หลวงพ่อท่านจะพูดบ่อยนะว่าอย่าด่วนรับอย่าด่วนปฏิเสธอย่าเผิดอย่าเถูกอย่าเเหตุอย่าเผลตอนแรกอาตมาฟังก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกมาตอนหลังพอเริ่มขเข้าใจเพราะตัวของผู้พูดเองเนี่ยเป็นคนชอบเอาผิดเอาถูกนะอย่างนี้ต้องต้องอย่างนี้นะอันนี่ถูกนะพอตอนหลังเนี่ยเราก็เปลี่ยนแปลงไปเราก็ไม่เอาผิดเอาถูกใครแล้วใครอยากทำอะไรก็เอาที่สบายใจชีวิตเราก็ดีขึ้น ว่าการเอาผิดเอาถูกเนี่ยมันเป็นเรื่องของความคิดแต่มันไม่ใช่เรื่องคุณธรรมเพราะคุณธรรมเนี่ยกับเมตตาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการเอาผิดเอาถูกอย่างเรื่องแรกเนี่ยที่อาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยมีปัญหาเรื่องอุ้มผู้หญิงเนี่ยก็เพราะว่าลูกศิษย์เนี่ยยึดมั่นในศีลฝาบถูกต้องแต่อาจารย์ไม่ได้คิดอย่างนั้นอาจารย์มองเรืคุณธรรมมองเห็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าว่าช่วยผู้หญิงแล้วทำให้ผู้หญิงได้มีความสุขแต่ก็ยอมช่วยแต่ แต่ช่วยระวางนะแต่ลูกศิษย์ไม่ยอมวางมันก็แบกอยู่นั่นแหละทั้งแบกทั้งยึดเอาถูกเอาผิดไนงะอันนี้คือเรื่องแรก ต, ตัวอย่างการยึดมั่นถือมั่นส่วนเรื่องที่สองเรื่องหลวงตาจากหอยทากเนี่ยประเด็นกลับกลายเป็นหลวงพ่อเจ้าวาดเลยหลวงพ่อเจ้าวาดนี่ไม่เอาถูกไม่เอาผิดนะถูกทุกคนเลยเพราะว่าท่านอยู่เหนือปัญหาไนงะเพราะถ้าเอาถูกอีกคนเดียก็ต้องผิดซึ่งเรื่องไม่จบไนะงคือหลวงพ่อฉลาดก็เลยถูกหมดคิดแต่หลวงพ่อ เจ้าว่านี้ก็มีความสุขดีนะถูกทุกคนไม่มีผิดส่วนเรื่องที่สามเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทิมานะทะลงคนที่เก่งเนี่ยบางทีบางครั้งก็สามารถยืดหยุ่นแพ้ได้ชนะได้ตามเหตุการ์ไมนกันนะเพราะการที่บรีหักหาน้ำใจคนอื่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีหรอกอาจจะเสียพิธภาพแต่ถ้าเกิดเราถนอมใจแก้งโอ้บ้างหรือบางครั้งก็แพ้ก็ได้ตามเหตุการ์ ซึ่งคนทั่วไปจะเจอเหตุการณ์แบบนี้แหละบางทียอมหักไม่ยอมงออยเอาชนะแต่พึ่งพือคนก็ไม่ครบแล้วก็หาคนที่จริงใจา ย, ยากแต่เรามีคุณธรรมทําตามเหตุการณ์บางครั้งก็รอรูปมารลุยกันไปการแพ้บางทีก็เป็นการละลายตัวตนนะบางทีเพราะเรายึดตาตามากเราก็จะชนะเฮ้ยกูเก่งนะไม่มีใครเก่งกวูกูแพ้ไม่ได้อะไรเงี้ยรู้ผู้ชายก็ขึ้นได้วางได้ ไม่ต้องไม่ต้องยึดบ้านถือบ้านจริงจังว่าเราต้องเก๋งเสมอไปเรื่องนี้ก็ให้แง่คิดเหมือนกันแล้วมาเรื่องแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าชายหนุ่มเนี่ยเจ้าสาราญเนี่ยไอ้ชายหนุ่มคนนี้เวีหาชีวิตเนี่ยที่ยอาจารย์ก็ไม่ได้ตัดหัวจ ร, จริงหรอกก็ทดสอบว่าไอ้คนเนี่ยมีคุณธรรมจริงไหมคุณธรรมไงถ้าเกิดชายหนุ่มเอาชนะพระรูปนั้นเนี่ยก็เสียขาดคุณธรรมแต่ที่ยอมตายนะเพื่อรักษาคุณธรรมไว้ าอาจารย์ก็เห็นว่าเออจิตใจไม่ใช้ได้สอบผ่านอะไรเงี้ยแล้วขนาดแรกบงลูกมัาต้องใช้สมาธิไงก็ออมีคุณสมบัติสองข้อที่จะสามารถฝึกฝนตัวเองได้ส่วนเรื่องสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องยาพิษที่ร้ายแรงอันนี้คือจิตใจของลูกสะพ้ายที่เต็มไปด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตแต่ก็มาแก้ได้ด้วยความรักความเมตตาพอเรารักเขาเขาก็รักเราเราเกลียดเขาเขากเกลียดเราทะเลาะกันไปทะเลาะมาเรื่องก็ไว้จบ มีหลายคนเนี่ยเขาก็อยู่กันมีผาสุกเพรอเขาอารมั่มรวยกันรักกันเรื่องนิดหน่อยทะเลาะแล้วก็ไม่ต้องไปเถียงยอมหย่อนหยวนยอมแรกกัยอมยยยยยยยอะไรเงี้ยจะเป็นข้ขอครัวที่มีความสุขเรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นกระทัดตุกบ้านเลยนะบ้านที่ไม่มีธรรมะไม่มีคุณธรรมเนี่ยบางทีผัวเมียก็ทะเลาะกันบางทีลูกสะภ้ายกับพ่อผัวแม่ผัวก็ทะเลาะกันเพราะเอาตัวเองไปที่ตั้งไงเอาตัวกูไปควาถูกต้องไม่่อายอมกันไง เลยทําให้มีความสุขอันนี้รวมถึงพระรวมถึงรัฐบาลด้วยนะเสื้อแดงเสื้อเหลืองหรือม็อบทุกชนิดแหละก็เกิดจากจากการเอาผีดเอาถูกนั้นเลยประเทศไทยเนี่ยจะมีประสบะการณ์เรื่องนี้มากเมื่อจะเป็นสิบสี่ตุลาเก้าตุลาหรือทุกชนิดแหละมาจากการเอาผิเอาถูกทั้งหมดแหละเพราะไอ้คนมาทัวร์มันก็จะเอาเอาชนะพอการาผีดเอาถูกมันก็สร้างความไหา้อนะให้กับประเทศ ถ้าเป็นครอบครัวก็วสร้างข้อหายนะไอ้ครอบครัวลามไปบางทีระดับโลกอย่างสงครามโลกก็ที่ ม, มีมาก็เพราะกาวผิดเอาถูกแหละจากชารูเล็กๆจากฮิตเลอ ER ร์แค่ความคิดเล็ก ๆ, ๆ, ๆน้อยๆเนี่ยมันก็ทําให้โหลามไปเป็นสงครามโลกตอนหลังก็คายูตายไปต้องหลายล้านพวอนโพสค่าขเขมรตายไปต้องหลายล้านก็เพราะเอาผิดเอาถูกก็แหละตัวกูคือว่าถูกต้อง แต่ถ้าแม่เอาผี่เอาถูกมันก็อยู่กันได้เรื่องผี่เอาถู ก, กเป็นเรื่องที่สําคัญนะเป็นเรื่องระดับโลกเลยจากระดับครอบครัวจนถึงระดับโลกถ้าเกิดทําแบบที่อาจารย์เจ้าว่าน่ยถูกถูกถุงถุงเธอเนี่ยปัญหานี้จะไม่เกิดเลยทุกปัญหาผ่านหมดเสี่ย์ามานําเรื่องพวกนี้มาพูดเนี่ยก็เพื่อทำตามที่หลวงพ่อพูดแล้วแหละหลวงพ่อเขียนช่อเอ่ยบ่อยอย่าเอาผิดอยาเอาถูกนะอย่าลวนลับ ดวนปฏิเสธให้ผู้กลังมาเรื่อยละหรือผู้หรือท่าบนบางทีท่านก็เทศอย่าด่วนรับอย่าด่วนปฏิเสธเพราะคนเราเนี่ยเวลาด่วนรับเนี่ยบางทีไม่ได้ตัดสินใจเลยบอกให้ทําอะไรก็รี บ, ท, บทําบางทีอันนี้รีบไปแต่ด่วนปฏิเสธบางทีสิ่งที่เขานําเสนออาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้เราปฏิเสธเขาไปละให้มีสติก่อนทจะรับและปฏิเสธอันนี้ก็จะเป็นทําตามประสงคของหลวงพ่อ วันเกิดหลวงพ่อนี่ก็ตรงกับวันแม่แห่งชาติด้วยวันแม่แห่งชาติก็ทําให้เรานึกถึงแม่นึกถึงผู้มีพระคุณหลวงพ่อมังีย์ก็ถือว่ามีพระคุณกับว่าป่าสุกโตท่านอบุกเบิกทําให้เราเนี่ยมีศาลที่ปฏิบัติธรรมสมัยก่อนก็ลําบากไม่ได้สุขสบายเหมือนสมัยนี้หรอกคนุเวยก็ลำบากหมดแหละเมื่อก่อนวัดก็ไม่มีอะไรนะวัดยากจน อาหารการกิก็ฝืดเครืองไม่มีถนนทางแบบนี้หรอกสมัยก่อนลกๆข้างหลังเนี่ยรกอย่างอย่างหอไตก็อยู่ที่กุฎอาจารย์อดอสอะเมื่อก่อนอะ่ะขอไตเก่านะยังไม่เป็นแบบนี้ท ำ, ทำวัดก็ทําวัดที่สราระไก่สาระไก่ก็ผูกองพังถ้าเดินไม่ดีเผื่อตกเพราะกระดานก็ผูกๆเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วป่าสุกโตก็เจอเรุงเลืองไม่เหลือเขาคงในอดีตเลยอย่างธรรมาก็ถือว่าอยู่ทานยุคที่ยากจน จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อยือนพระมากมายเลยพระบางคนก็ล้มหายตายจากไปคนแล้วคนเล่าคนที่อยู่ก็เริ่มแก่ขึ้นจะเป็นอย่างนี้แหละบ้างก็สึกไปอันนี้ก็ไปใสัจธรรมชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ความไม่เที่ยงเป็นหน้าตาแต่มาเห็นว่าพูดมาก็สมควรกับเวลาก็ฝากไว้ก็ท่านก็อยาวผิดเอาถูกก็แล้วกันแบบที่หลวงพ่อเขียนสอนไว้อย่าด่วนรับอย่าด่วนไปเสดขอให้มีความสุขความเจรธรรมยิ่งขึ้นไปเอวาง